ในช่วงสัปดาห์นี้ท่านผู้ฟังก็เป็นสัปดาห์ที่เป็นมีคืนวันเพนอยู่แล้วมันก็มาตกลงในเดือน8ที่เขาจะเรียกว่าเดือนอาสาฬหาเดือน8หรือว่าเดือนอาสาฬหะในช่วงของวันเพนเนี่ยก็จะมีการระลึกน้อมถึงเหตุการณ์สำคัญสคัญที่เกิดขึ้นในคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เรามักจะพูดถึงกันก็คือการแสดงธรรมจากกัปวัตตนสูตรเป็นกันเทศกันแรกเราก็มีผู้ที่รู้ตามบรรลุตามคือท่านพระอัญญาโกนัญญะพระพุทธเจ้าแสดงพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องของอริยสัจสี่ในวันต่อต่อมาได้ตรัสถึงเรื่องของอนัตตลักนณลสูตรทําให้ภิกษุปัญจวัคคีทั้ง5้าเนี่ยบรรลุเป็นพระอระหันต ก็อยู่ในช่วงสัปดาห์นี้นี่แหละสองสามวันหลังจากวันเพนก็เป็นช่วงเวลาที่มีการตรัสรู้ธรรมกันของเราภิกษุทั้งห้าที่นั่นปาอีสิปัตนะมรกตัยวันก็มีการสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นบึ้มบๆ้มบมขึ้นของกิเลสที่มันทำลายออกแตกออกของการอนุมโมทนาของพวกเราเทวดาโลกธาตุนี้ก็สั่นสะเทือนวันไหวขึ้นมา อันนี้คือเหตุการณ์ที่เรามักจะได้ยินได้ฟังกันอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดไปแล้วนั่นก็คือเรื่องของการออกบวชของพระพุทธเจ้าตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เป็นเจ้าชายสินทัตะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนด้วยภาษาราชวางังไม่มีญาติมิตรพี่น้องไปคนเดียวเพื่อที่จะหาโมฆะธรรมนั่นคือ6ปีก่อนการตรัสรู้ ก็มาตกลงในเดือน8ดนี่แหละที่ได้พูดไปเมื่อสองสามวันก่อนอีกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือการที่ราหุลกุมารได้อุบัติเกิดขึ้นก็ในเดือนอาสาฬหะนี่แหละราหุลกุมารได้อุบัติเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเทวทูตอันหนึ่งที่เจ้าชายสินธะได้เห็นนะแล้วก็มีความรักมีบ่วงเกิดขึ้นทั้งรัก ทั้งขยักแยง้งเรื่องของความเกลียดเรื่องของความทุกข์จิตใจที่ต้องหักห้ามใจอย่างมากเนี่ยจึงหลีกออกออกบวชแต่วันนี้จึงจะนำรายเอียดของท่านพระราหุลที่ท่านมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่เลิศกว่าภิกษุรูปอื่นๆที่มีการไคร้ไฟในการศึกษาเนี่ยท่านพระราหุล น, นี่เลิศกว่ารูปอื่นข้าพเจ้าจะ นำเรื่องราวที่เขารวบรวมเรียบเรียงเอาไว้ในนิทานธรรมบทบ้างในส่วนที่เป็นคําอธิบายในพระสูตรนั้นนี้โนนบ้างมาอา่านให้ท่านผู้ฟังฟังเรื่องความเป็นมาเป็นไปของท่านพระราหุลผู้มีความเป็นเลิศในความเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาท่านพระราหุลตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตในกับแห่งพระ ปัุมุตระพระพุทธเจ้าคือหนึ่งแสนกับนับถอยหลังไปจากกับปัจจุบันนี้เวลานั้นอยู่ในช่วงเวลาที่พระปทุมุตระพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึนพระราหุนเทระและพระรัฐบาลเทระเป็นสหายกันต่างก็มาบังเกิดในครอบครัวกราบดีในกรุงหงษ์าวดีไม่มีการกล่าวถึง ชื่อและตระกูลของท่านทั้งสองในสมัยนั้นพอท่านเจริญวัยแล้วดำรงอยู่ในคารวาสเมื่อบิดาของแต่ละคนสิ้นชีวิตลงก็ตรวจดูทรัพย์สินที่ตนได้รับมรดกมาเห็นว่ามีทรัพย์หาประมาณไม่ได้จึงคิดว่าบรุรบชนของตนทั้งหลายมีปู่และปู่ทั่วเป็นต้นก็ไม่สามารถนำเอาทรัพย์นี้ไปกับตนได้ดนั้น จึงควรหาทางนำเอาทรัพย์ที่เรามีอยู่นี้ไปกับเราให้ได้ด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึง่งทั้งสองคิดดังนั้นแล้วจึงเริ่มให้มหาฐานแก่คนการาและคนเดินด่างเป็นตนในสถานที่ทั้งสี่สายทั้งสองคนหนึ่งเป็นผู้ชอบสอบถามคนที่มาแล้วมาอีกในโรงทานของตนว่าชอบใจสิ่งใด เป็นต้นว่าข้าวยากูและของเกี้ยวแล้วก็ให้สิ่งนั้นแก่ผู้นั้นเพราะเหตุนั้นเขาจึงมีชื่อว่าผู้กล่าวกับผู้ที่มาแล้วอีกคนหนึ่งไม่ถามอะไรเลยเมื่อมีผู้ถือภาชนะมาเพื่อใส่สิ่งของก็ใส่ของที่เขาต้องการให้เต็มแล้วก็ให้ไปด้วยเหตุนี้ล่ะเขาจึงมีชื่อว่า ผู้ไม่กล่าวกับผู้ที่มาแล้วว่าหนึ่งชวนทั้งสองนั้นออกไปนอกบ้านแต่เช้าตรู่ได้พบดาบทผู้มีฤทธิ์มากสองคนที่เหาะมาจากป่าหิมพผ่านเพื่อพิขาจารดาบทาองคนนั้นมาลงในที่ไม่ไกลจากที่สหายทั้งสองยืนอยู่เมื่อดาบททั้งสองนั้นจะแจ้งบริการ มีภาชนะน้ำเต้าเป็นต้นแล้วก็เดินไปตามทางเพื่อพิกขาจานท์ชายทั้งสองจึงมาไหว้ใกล้ๆพระนั้นดาบทกล่าวกับชนทั้งสองนั้นว่าท่านผู้มีบุญใหญ่ท่านมาในเวลาไรชนทั้งสองนั้นตอบว่ามาเดี๋ยวนี้เองครับแล้วจึงรับภาชนะน้ำเต้าจากมือของดาบ ท, ทั้งสองนั้น นำไปเรือนของตนแล้วถวายพาตานครัร้นในเวลาเสร็จพัฒกิจสายทั้งสองจึงก่อให้ฤาษีทั้งสองนั้นรับปากว่าจะมารับภิกษาจากตนเป็นประจำเมื่อจะทำการอนุโมทนาแก่อุปษาของตนก็ให้พอนว่าขอจงสำเร็จเหมือนดังพบปะถาวินทระนาการเถิด ก็ความที่ท่านกล่าวให้พอรอย่างนี้มีเหตุว่าด้าบทรูปนั้นท่านเป็นคนมักร้อนเมื่อรู้สึกร้อนจึงแหวกน้ำในมหาสมุทรออกเป็นสองส่วนด้วยอนุภาคของตนแล้วไปยังพบของปะทะวินทะนากราชเพื่อนั่งพักตลอดเวลากลางวันได้แลเห็นสมบัติต่างๆในพบ ของนากราชนั้นครั้นเมื่อพักพอสบายแล้วจึงกลับมาอย่างโลกมนุษย์สหายผู้ที่รับผ่อนนั้นเมื่อประสงค์จะรู้ความหมายของท่านดาบ ท, ที่ให้ผ่อนตนอย่างนั้นในวันหนึ่งจึงถามดาบทนันว่าท่านผู้เฉริญท่านกล่าวคำอนุโมทนาว่าจงมีความสำเร็จเหมือนพบปะถะวินทรนาคราช กคำนี้ท่านหมายความว่าอย่างไรดาบทึงกล่าวว่าที่เรากล่าวนั้นหมายความว่าขอให้สมบัติของท่านจงมีเหมือนสมบัติของพระยานาคราชที่ชื่อว่าปัทะวินทะตั้งแต่นั้นมากุดุมปีผู้นั้นจึงตั้งจิตมั่นปรารถนาอยู่ในภพของพระยานาคที่ชื่อว่าปะทะวินทะส่วนดาบทอีก รูปหนึ่งก็เช่นกันแต่ใบพักกลางวันยังพบดาวกะดึงในเสริศกะวิมานที่ว่างเปล่าดาบทนั้นเที่ยวไปเที่ยวมาในดาวกะดึงที่พบนั้นได้แลเห็นสมบัติของเท้าสกกะเทวราชว่ามีมากมายและสวยงามเี่งใดเมื่อจะกระทำอนุโมทนาแก่อุปาตาของตนก็กล่าวว่า สมบัติของท่านจงเป็นเหมือนสา ก, กัวิมานกระนั้นกุลุมพีก็ถามดาบทนั้นเหมือนอย่างสายอีกคนหนึ่งถามดาบทอีกท่านหนึ่งนั้นเหมือนอย่างสายอีกคนเหมือนกันเมื่อได้ฟังดังนั้นกุลุมพีที่สองที่เป็นสายกันนั้นจึงตั้งจิตมั่นปรารถนาอยู่ในพบของเท้าส ก, กะ ด้วยกุศลแห่งกรรมที่ทายทั้งสองได้บำเพ็ญมาเมื่อทั้งสองสิ้นชีวิตลตงแล้วต่างก็ได้ไปเกิดในภพที่ตนตั้งจิตปรารถนาไปนั้นสหายผู้เกิดในภพของปัทวินทะนากราชมีชื่อว่าปัทวินทะนากราชสหายผู้เกิดเป็นปยานากรานั้นเมื่อเห็นสภาพของตนที่เกิดมาในเพศของนาคนั้น ก็เกิดความเดือดร้อนใจว่าการเกิดของเราอยู่ในฐานะที่ไม่น่าพอใจหนาที่นี้เป็นที่ต้องเลื้อยไปด้วยท้องเห็นทีดาบทที่ให้พรเราเช่นนั้นคงจะไม่รู้ที่อื่นๆที่ดีกว่าเป็นแน่แท้ส่วนใายอีกท่านหนึ่งก็ไปเกิดเป็นเท้าสักกะในพบดาวดึงต่อมาก็ถึงเวลาที่เท้ามหาราชทั้งสี่ ที่มีหน้าที่จะต้องไปเฝ้าเท้าสกะเทวราชทุกๆกึ่งเดือนปะทวินทรานากราชนั้นก็ต้องไปเฝ้าเท้าสกะพร้อมกับพญานาคที่ชื่อว่าวิรูปักด้วยจึงได้กลายเพศเป็นมานพน้อยแล้วเข้าไปเฝ้าเท้าสกะเทวราชทุกกึ่งเดือนในเวลาที่ท่านได้เข้าเฝ้าเท้าสกะเทวราช ท้าวสกะเห็นพระญานาคนั้นก็จำได้ว่าเป็นสายเก่าจึงถามพระญานาคนั้นในเวลายืนอยู่ในที่ใกล้ว่าสหายท่านไปเกิดในที่ไหนพระญานากกล่าวว่าท่านมหาราชท่านอย่าถามเลยข้าพระเจ้าไปเกิดในที่ที่ต้องเลื้อยไปด้วยท้องส่วนท่านได้อยู่ในที่ที่ดีแล้วสหายท่านอย่าวิตกไปเลย ว่าเกิดในที่ไม่สมควรพระทศพลพระนามว่าปทุมุตระทรงบังเกิดในโลกนี้แล้วท่านจงกระทํากุศลกรรมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแล้วปรารถนาฐานะนี้เถิดเราทั้งสองจะอยู่ร่วมกันเป็นสุขพญานาคนั้นจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านท้าวสักกะข้าพระเจ้าจะทำอย่างนั้นแล้วจึง รีบไปนิมนต์พระปัทถุมุตระพระพุทธเจ้าพร้อมจัดแจงเรื่องสาการะสัมมาณะเพื่อเตรียมตวายพระาศาสดาและเหล่าพระภิกษุตลอดคืนหยันรุ่งกับนาคร บ, บริษัทในภพนาคของตนในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นพระาศาสดาตรัสเรียกพระสุมนะเถระผู้อุปถากของพระองค์ ว่าสุมาณะวันนี้ต ถ, ถากรจะไปพิกาจารย์ณที่ไกลภิกษุปุตุชนนั้นไม่สามารถไปด้วยจงไปแต่พระผู้บรรลุปฏิสัมพิทาผู้มีอภิญญาหกเทิดพระเถระสะดับตบรตดของพระาศาสดาแล้วแจ้งแก่ภิกษุทั้งบวงภิกษุทั้งหมดผู้มีอภิญญาประมาณแสนหนึ่งได้เหาไปพร้อมกับพระาศาสดา พระญาณาปัทวินทระกับนาค บ, บริษัทที่มารับเสด็จพระทศพลทรงดูพระพิสุสงที่ล้อมพระาศาสดาซึ่งกำลังเสด็จมาแลเห็นพระาศาสดาอยู่เบื้องบนพระสังกานาวกะจนถึงสามเณรชื่ออุปรเรวตะผู้เป็นโอรสของพระ ต, ตาคตอยู่ท้ายพระญาณาเห็นแล้ว จึงเกิดปีติปราโมนว่าการที่พระสาวกทั้งหลายที่เป็นพระภิกษุได้แสดงอนุภาพเห็นปานนี้อย่างไม่น่าอัศจรรย์แต่อนุภาพแห่งสามเณรองค์เล็กนี้ช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกินหนังนี้การเมื่อพระโทศพลประทับนั่งที่ภพของประยานานั้นแล้วพระภิกษุทั้งหลายก็นั่งเรียงกันตามลำดับอาวุโส พระยาณาเมื่อถวายข้าวยากูก็ดีถวายของเกี้ยวก็ดีและดูพระทศพลในที่ข้างหนึ่งและดูสามเณรอุปเรวตะในที่อีกข้างหนึ่งในยาว่ามหาปุริสะลักษณะ32บประการในสรีระของสามเณร น, นั้นย่อมปรากฏเสมือนพระพุทธเจ้าก็สงสัยว่าเป็นอะไรกันหนอ จึงถามภิกษุรูปหนึ่งผู้นั่งไม่ไกลว่าท่านผู้เจริญสามเณรรูปนี้เป็นอะไรกับพระพุทธเจ้าภิกษุรูปนั้นตอบว่ามหาบพิษสามเณรรูปนั้นเป็นโอรสของพระพุทธองค์พระยานาปาตตวินทระจึงมีความดํารีขึ้นว่าสามเณรรูปนี้ใหญ่จริงหนอจึงได้ความเป็นโอรส ของพระตถาคตผู้สง่างามเห็นป่านนี้แม้สรีระของท่านก็ปรากฏเสมือนพระสรีระของพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวแม้ตัวเราก็ควรเป็นอย่างนี้ในอนาคตการนังนี้พระยานาคนั้นจึงถวายมหาทานเจ็ดวันแล้วกระทำวามปรารถนาว่าข้าแต่พระงผู้เจริญ ข้าพระองค์พึงเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนอุปรเรวั ต, ตะสามเณร น, น, นี้ด้วยอนุภาพแห่งกุศลกรรมนี้พระศาสดาทรงเห็นว่าหาอันตรายไม่ได้คือมีความแน่นอนจึงทรงพยากรณ์กับพญานาคนั้นว่าก็ในอนาคตมหาพะพิธจะเป็นโอรสแห่งพระพุทธเจ้า ระนามว่าโกตมะดังนี้แล้วก็เสด็จกลับไปส่วนปัทวินทรานากราชเมื่อถึงกึ่งเดือนอีกครั้งหนึ่งก็ได้ไปเฝ้าท้าวสักกะกับพระยายนาคที่ชื่อว่าวิรูปักอีกคราวนี้ทาาา้าวสักกะถามว่าสหายท่านกระทำมหาทานเพื่อปรารถนาเทวโลกนี้แล้วหรือปัทวินทรานากราชตอบว่า ข้าพเจ้าไม่ได้ปรารถนาเทวโลกนี้หรอกเพื่อนก็ท่านเห็นโทษอะไรอย่างนั้นหรือไม่มีโทษหรอกมหาราชแต่ข้าพเจ้าเห็นสามเณรอุปะเรวัตะโอรสของพระทศพลตั้งแต่ข้าพเจ้าได้เห็นสามเณรนั้นก็ไม่ได้น้อมจิตไปในที่อื่นข้าพเจ้าจึงกระทำความปรารถนาว่าในอนาคตการขอข้าพเจ้าพึงเป็นโอรส เช่นนี้ของพระพุทธเจ้า พ, พระองค์หนึ่งท่านเท้าสักกะแม้พระองค์ก็จงกระทำความปรารถนาอย่างหนึ่งเถิดเราทั้งสองจะไม่พลากกันในที่ที่เกิดแล้วเท้าสักกนันจึงรับคำของปรยานานั้นแล้วต่อมาวันหนึ่งเห็นพิกสุกผู้มีอนุภาพมากรูปหนึ่งจึงมีความคิดขึ้นว่ากุลบุตรนี้ออกบวชจากสกุลไหนหนาดังนี้ ก็ได้ทราบว่ากุลบุตรผู้นี้เป็นบุตรของสกุลผู้สามารถสมาน ร, รัฐที่แตกแยกกันแล้วและกระทำการอดอาหารถึง14ี่วันเพื่อให้มารดาบิดาอนุ ญ, ญาตให้บรญรชาแล้วจึงได้บวชครั้นทราบแล้วจึงกระทำมหาสการะเจวันต่อพระทศพลแล้วกระทำความปรารถนาว่า ด้วยผลแห่งกัลยาณธรรมนั้นข้าพระองค์พึงเป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้บวช ด, ด้วยศรัทธาในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนอย่างกุลบุตรผู้นี้ในศาสนาของพระองค์เถิดพระปตุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นความปรารถนาของดาวส ก, กะไม่มีอันตรายใดจึงได้พยากรณ์ว่า มาบพิษพระองค์จะเป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้บวช ด, ด้วยศรัทธาในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามวา่าโคตมะในอนาคตดังนี้ตอนตั้งจิตปรารถนาในการเป็นยอดของภิกษุผู้ใกล้ต่อการศึกษาในการก่อนท่านพระราหุลกิดเป็นพระยาณากราชเมื่อหมดบุญในฐานะ พระยานากราชแล้วท่านได้เกิดมาในโลกมนุษย์ซึ่งยังอยู่ในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปะทุมุตระนั่นแหละด้วยสมัยนั้นชนทั้งปวงมีอายุหนึ่งแสนปีพระยานากราชนั้นซึ่งคือพระราหุลในบัดนี้บังเกิดในสกุลกราบดีผู้มหาศาล การเมื่อเจริญไว้แล้วอยู่มาวันหนึ่งได้ไปยังพระวิหารที่พระพุทธเจ้าปทุมุตระประทับอยู่และฟังธรรมอยู่แถวท้ายหมู่พุทธบริษัทในวิหารนั้นได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งที่พระศาสดาทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งเป็นยอดของภิกษุผู้ใคร่ต่อการศึกษา ท่านจึงปรารถนาที่จะได้เป็นอย่างภิกษุนี้ในาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ก, การเชนั้นบ้างท่านจึงนิมนต์พระปัตุมุตระพระพุทธเจ้าและทําการปูราชพื้นประสาทเจ็ดชั้นและขัดให้เงางามช่องแสงใสสว่างดุจรัตนะถวายพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ พร้อมด้วยพระกีนาศพหนึ่งบรรูปได้เสด็จเข้าไปในพระคันธกุฎีในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์พระพุธองได้ตรัสประกาศาเหล่านี้ว่าผู้ใดปูลาดพื้นพระคันธกุฎีให้โชติช่วงดังกระจกเงาอันกัดดีแล้วเราพยากรณ์ผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวคือพระสาททองอันงศงาม หรือประสาทแก้วไผยทูลจะบังเกิดแก่ผู้นั้นผู้นั้นจะเป็นจอมเทวดาเสเวยเทวราชสมบัติอยู่64ครั้งในกับที่21จะได้เป็นกษัตริย์พระนามว่าวิมลวิมลจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงครอบครองแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตมีพระนครชื่อ เรนุวดีสร้างด้วยแผ่นอิฐโดยสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวสามรอโยชนมีปราสาทชื่อสุทัศนะอันวิสุก ร, รมเทพบุตรเนมิตรให้ปราสาทนั้นประกอบด้วยเรือนยอดอันประเสริฐประดับด้วยแก้วเจ็ดประการเหมือนกับเป็นสุทัศนนครของเหล่าเทวดารัศมีแห่งนครนั้น เพลงปลังดังพระอาทิตย์เมื่ออุทัยขึ้นณก่อนนั้นจะรุ่งเรืองเจอจ้าด้วยรัสมีโดยรอบแปดโยต์อยู่เป็นนิดในแสนกับพระาศาสดาทรงพระนามว่าโกตมะโดยพระโกดซึ่งมีสมภพในวงพระเจ้าโอกากราชจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกผู้นั้นอันกุศลลมูลทรงผลแล้ว จะเคลื่อนจากพบดูสิตแล้วมาเป็นพระราชโอรสของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าโกตมะถ้าผู้นั้นจะเพิ่งอยู่ครองเรือนก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ก็ที่เขาจะยินดีในการครองเรือนนั้นจะไม่เป็นเช่นนั้นเขาจะออกบวชเป็นบนรรพชิตเป็นผู้มีวัดอันงามจะได้เป็นพระอารหันต มีนามชื่อว่าราหุลดังนี้ก็เมื่อกุดุมพีคนนั้นหมดอายุขายแล้วก็ต้องเที่ยวไปในภูมิเทวดาและภูมิมนุษย์ทั้งหลายวนเวียนอยู่เช่นนั้นตลอดแสนกับตอนกำเนิดเป็นพระราหุลในสมัยพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าครั้นมาในเวลาเริ่มสมัยพระพุทธเจ้าของเรานี้ พระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาถือปฏิสนธิในอัคระไมเหสีของพระเจ้าสุดโทตนะทรงเจริญวัยโดยลำดับแล้วทรงอภิเศกสมรสกับพระนางยโสตราพิมพาทรงกลางเรือนอยู่จนพระชนมายุยี่สิบก้าปัญจาในเวลาที่นางยโสตราทรงตั้งคันแก่นั้นก็เกิดเหตุ ที่ทำให้พระโพธิสัตว์ทรงตัดสินใจเสด็จออกมหาพิเนสกรมโดยในสี่วันก่อนที่จะทรงตัดสินใจออกโุตรนั้นก็มีพระประสงค์จะออกปราพาดอุทยานและในระหว่างทางที่เสด็จนั้นเทวดาได้แปลงกายเป็นเทวูตทั้งสี่ให้ทรงเห็นรวมสี่วันคือเห็นคนแก่ในวันที่หนึ่งเห็นคนเจ็บในวันที่สอง เห็นคนตายในวันที่สามและเห็นบนรรพชิตในวันที่สี่และในวันที่ทรงตัดสินพระไต่ออกพนวดในวันที่ประพาสอุทยานวันที่สี่นั่นเองพระนางยโสตราก็ทรงประสูติพระโอรสในพระราชวังนั่นเองในขณะที่โพธิชัด ท, ทรงประพาสอุทยานอยู่สมัยนั้นพระเจ้าสุตโตธนะมหาราช ทรงสดับว่านางยโสธราปิมพาประสูติพระโอรสจึงส่งสารไปแจ้งกับโพธิสัตว์คือเจ้าชายสินตะว่าท่านทั้งหลายจงบอกความดีใจของเราแก่ลูกของเราด้วยเมื่อพระโพธิสัตว์ได้สดับข่าวการประสูติของพระราโอรสลำดับนั้นความเสน่หาในพระโอรสทำให้พระวรากายทุกส่วน ของมหาบุารุรทราบซานพระมหาบุษรจะมีความดำริว่าเมื่อบุตรเกิดเพียงคนเดียวความเสน่หาในบุตรยังเป็นถึงเพียงนี้ถ้าเราจะมีบุตรหนึ่งพันคนในบุตรเหล่านั้นเมื่อคนหนึ่งเกิดความปูกันด้วยเสน่หาเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้หัวใจจะแตกสลายเป็นแน่แท้ดังนี้ประเหตา น, นั้นปวารณาษ จึงตรัสว่าราหุแปลว่าห่วงเกิดแล้วเรื่องจองจำเกิดแล้วหรือเรื่องผูกเกิดแล้วพระเจ้าสุโทธทนะมหาราชตรัถามราชบุตรว่าบุตรของเราได้พูดอะไรบ้างครั้นได้สดับคํคดังนั้นแล้วจึงตรัสว่าตั้งแต่นี้ไปหลานของเราจงมีชื่อว่าราหุลกุมาร สายของท่านก็บังเกิดในตระกูลเศรษฐีในโกติตนิคมตระกูลของท่านชื่อว่ารัตปาละเพราะเป็นผู้สามารถดำารงรักษารัฐที่แบ่งแยกได้คือตระกูลของท่านได้สละทรัพย์สินช่วยเหลือแคว้นซึ่งกำลังตกต่ำทางเศรษฐกิจให้กลับมั่นคงเหมือนเดิมคนทั่วไปจึงเรียกท่านว่ารัฐปาละ ตามชื่อตระกูลของท่านเองซึ่งต่อมาท่านก็คือพระรัตบาลเตระเอตทัทคะมหาสาวกผู้ออกบวตด้วยศรัทธาครั้นเมื่อพระพธิสิตว์ทรงบรรพชาแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ถึงหกปีจนที่สุดทรงแทนตลอดพระสัพพัญยุตยานโดยลำดับทรงยับยั้งที่โพธิมณฑลเจ็ดสัปดาประกาศธรรมจัก นะปาอิสิปตนะมฤกษัยวันทรงทําการอนุกราโลกและครั้นเมื่อพระเจ้าสุทโตธนะทรงสดับกล่าวว่าพระบรมศาสดาเสดมายังกรุงราชคฤห์จึงทรงรับสั่งให้อมาต์ชื่อกาลุทายีไปนิมนต์พระบรมศาสดาอมาต์กาลุทายีก็ได้บวช ด, ด้วยเอหิภิกุ อุปสมบทาแล้วพระกาลุทายีเทระจึงทูลวิงบอนให้พระพุทธเจ้าโกตมะเสด็จไปโปรดพระพุทธปิดายังกรุงกบิลพัสด้วยเรื่องราวของราหุลกุมารยังมีต่อตันี่คือเรื่องราวการเกิดขึ้นของเด็กน้อยคนหนึ่งที่ชื่อว่าราหุลเป็นเจ้าชายในะตำมุฟังนะ ก็เรียว่าราหุนกุมารเกิดขึ้นมาแล้ในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ฟังเราจะมาต่อกันตอนที่ว่าพระพุตตะชาของเราเรจะเด็นกลับไปยัง ก, ร, งกรุงเบิลมาพัทแล้วเรื่อ ง, องราวการบรวชสามเณรองค์แรกคือสามเณรราหุนเนี่ยเป็นอย่างไรจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจทีเดียววันนี้ก็เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้ า, าพเจ้าพระมหาภัยบุญอาพปุณโญเจริญพร